ในธรรมในเบื้องต้นได้แสดงอธิบายพระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมฐานตามในยะที่มีแสดงไว้ ในเทเวทาวิตักัะสูตรและเมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงถึงการปฏิบัติกรรมฐานของพระองค์เองเมื่อยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ วาทรงปฏิบัติแยกวิตกออกให้เป็นสองส่วนที่เป็นอกุศลวิตกส่วนหนึ่งที่เป็นกุศลวิตกส่วนหนึ่งเมื่อรวมความเข้ามาแล้ว ก็คือทรงพิจารณากำหนดวิตกคือความตึกนึกคิดนี้เองให้รู้ว่าความตึกนึกคิดที่บังเกิดขึ้นในพระหัตไทยแห่งพระองค์นั้น ถ้าเป็นอกุศลก็ทรงกําหนดพิจารณาให้รู้พร้อมทั้งโทษและทรงรักษาจิตคุ้มครองจิตของพระองค์มิให้ตรึกไปนึกคิดไปในทางอากุศล แต่ทรงปฏิบัติฝึกจิตหบลมจิตให้ตรึกไปในฝ่ายกุศลซึ่งก็ทรงทำได้ <c oughs> และเมื่อทรงได้กุศลวิตกไว้มากแล้วก็ได้ทรง กำหนดพิจารณาเห็นขึ้นอีกขั้นหนึ่งว่าแม้จะเป็นกุกศ ล, ลวิตกแต่เมื่อตรึกนึกคิดนานเกินไปกายก็จะเหน็ดเหนื่อย จิตก็จะฟุง้งซ่านไม่เป็นสมาธิขึ้นได้จึงได้ทรงละวิตกคือความตึกนึกคิดแม้ที่เป็นกุศลนั้นตั้งจิตให้สงบอยู่ในภายใน เหมือนอย่างนั่งเข้ามันนั่งอยู่ในภายในจิตให้จิตนั่งอยู่ในภายในสงบอยู่ในภายในทำความรู้อยู่แต่เพียงว่าทำเหล่านี้มีอยู่เท่านั้นพระพุทธองค์ เมื่อได้ตรัสสอนวิธีปฏิบัติกรรมฐานมาถึงขั้นนี้ว่าพระองค์ทรงปฏิบัติได้และพระองค์ได้ทรงปฏิบัติสงบแม้ที่เป็นกุศลวิตกตั้งจิตให้กำหนด อยู่ในภายในดังกล่าวสบานที่ของพระองค์จึงบังเกิดขึ้นมากขึ้นแนบแน่นขึ้นจึงทรงบรรลุถึง ทานคือสมาธิที่แนบแน่นเข้าคันขานที่หนึ่งชานที่สองชานที่สามชานที่สี่จึงทรงมีจิตที่บริสุทธิ์ ขาวคือสะอาดผ่องแพ้วอ่อนควรแก่การงานจึงทรงน้อมจิตไปเพื่อรู้ก็ทรงได้พระยานสามอุเพนิวาสานุสติญาณ ความรู้ระลึกถึงขันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้จุดตัวปปารตยานความอย่างรู้จุดติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงชาตินั้นนั้นของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมและอาสวะขยย า, ยานความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ รัสรูอริยสัจสี่จึงทรงสิ้นขาดสิ้นพบและมีภยานอย่างรู้ว่าขาดสิ้นแล้วเสร็จกิจที่จะพึงกระทำเหมือนอย่างนี้แล้ว ไม่มีกิจอื่นที่จะพึงกระทําเพื่อเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกดังนี้คือตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ทรงเล่าถึงปฏิปทาที่ทรงปฏิบัติมาเองโดยความ ย่อดังนี้และในตอนท้ายของพระสูตรได้ทรงสแสดงธรรมะสั่งสอนมีอุปมาสาธกธรรมโดยที่ ได้ตัดอุปมาไว้ก็เหมือนอย่างว่ามีที่ลุ่มน้ำมากไปได้โคลนตมและมีหมู่เนื้อใหญ่อาศัยอยู่ได้มีบุรุษที่บุงไร ได้เปิดทางให้เนื้อออกมาอันเป็นทางทำลายและใช้เนื้อต่อตัวผู้เนื้อต่อตัวเมียสำหรับที่จะ ล่อหมู่เนื้อใหญ่ให้ออกมาจากที่อาศัยมาตามทางที่ต้องการจะทำลายเนื้อฝ่าย ฟ, ฟูงเนื้อใหญ่ก็ถูกล่อออกมาโดยเนื้อต่อ ตัวผู้เรือต่อตัวเมียมาตามทางที่ทางเปิดที่พรันในพรานเปิดให้ออกนั้นจึงถูกทำลายให้ลดน้อยลงไปโดยลำดับแต่ก็ได้มีบรุษภูมิมุ่งดี ไ, ได้เปิดทางอันกเกษม สำหรับให้เนื้อออกและเมื่อเนื้อได้ออกตามทางอังกษมที่บุรุษผู้มุ่งดีเปิดเอาไว้หมู่เนื้อก็มีความเจริญขึ้นเมื่อได้ตรัสเป็นนิทานขึ้นมาดังนี้ก็ได้ทรงสาธกด้วยธรรมะ ทรงชี้ว่าที่ลุ่มน้ำอันมีเปลือกตมเป็นอันมากนั้นก็ได้แก่กาแมคุณอารมณ์คืออารมณ์ที่ประกอบด้วยการมคุณ อันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรถพลทพสิ่งถูกต้องที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายเทียบกับที่ลุ่มน้ำอันประกอบด้วยเปลือกตมเป็นอันมากฝูงเนื้อใหญ่ที่อาศัยอยู่ในที่ลุ่มน้ำนั่น ก็ได้แก่หมูสัตว์คือหมูชนเป็นอันมากในโลกนี้และบุรุษภูมุ่งร้ายคือพรานที่ต้องการทำลายเนื้อก็ได้แก่มานภูมุ่งร้าย เนื้อต่อตัวผู้ก็ได้แก่นั้นที่ราคะความติดใจกำหนัดยินดีโดยอำนาจของความเพลิดเพลินในกามะคุณอารมณ์นั้น เนื้อต่อตัวเมียก็ได้แก่ก็ได้แก่อวิชชาคือความไม่รู้ในจัตจตธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงหนทางที่ผิดซึ่งในพรานต้องการให้เนื้อออกมาเปิดทำลายนั้นก็ได้แก่มิจฉามากัก มักคือทางที่ผิดมีองแปดอันได้แก่มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมิจฉาสังกปะความดำ m ริผิดมิจฉาวาจาเจรจาผิดมิจฉากรรมมันตะการงานผิดมิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตผิดมิจฉาวายามะเพียรพยายามผิดมิจฉาสติระลึกผิดมิจฉาสมาธิตั้งใจผิดส่วนบรุษภูมุ่งดีซึ่งเปิดทางอันกเกษมสำหรับช่วยเนื้อ หม่ใหญ่ทั้งหลายก็คือตถาคตก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหนทางอันกระเสมที่บุรุษภูมุ่งดีเปิดให้หมเนื้อออกมานี้ก็ได้แก่สัมมามัก คือทางอันชอบมีองค์แปดอันใดแก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดําริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียนพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบ สมาสมาธิตั้งใจชอบดังนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ทรงสั่งสอนแนะนำให้ผู้ิมุ่งปฏิบัติธรรมะทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนดำเนินในสัมมามัก คือทางถูกชอบที่ได้ทรงแสดงไว้เพื่อประสบความสุขสวัสดีดังนี้เพราะฉะนั้นนิทานสาธกธรรมที่ทรงแสดงนี้จึงเป็นข้อเตือนใจผู้มุ่งปฏิบัติธรรมทุกๆคนให้ พิจารณากำหนดดูให้รู้จักว่าอะไรเป็นมิจฉามักคือทางผิดอะไรเป็นสัมมามักคือทางชอบแหละให้พิจารณาดูว่าเมื่อยังไม่ได้อบรมจิตจิตนี้ก็ย่อม มีที่อยู่อาศัยโดยมากก็คือกามคุณอารมณ์ในโลกหรือที่เรียกกันว่าโลกก็คือกามคุณอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะท่นารักใครปรารถนาพอใจทั้งหลาย มีนั้นที่ราคะคือความติดใจยินดีเพลิดเพลินอยู่ในโลกก็คืออยู่ในกามคุณอารมณ์อาศัยอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงว่า นั่นเป็นตัวทุกเป็นตัวเหตุเกิดทุกเพราะฉะนั้นนั่นที่ราคะความติดใจยินดีเพลิดเพลินอยู่ในโลกหรือในกามคุนารมทั้งหลายจึ่งเท่ากับเป็นนกเนื้อต่อ เท่ากับเป็นเนื้อต่อตัวผู้อวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงเท่ากับเป็นเนื้อต่อตัวเมียซึ่งลอ่อใจสัตว์ตะวโลกนี้ให้ติดใจยินดีอยู่ในที่ลุม่มน้ำ อันประกอบด้วยเปลือกตมและดำเนินไปในทางที่ผิดอันเป็นมิจฉามาเพราะฉะนั้นจึงเป็นการดำเนินไปในทุกขสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์จึงต้องประสบความทุกข์ต่างๆไม่พ้นทุกข์ไปได้ต่อเมื่อได้มากำหนดจับ ตัวนั้นที่ราคะในจิตใจนี้คือความติดใจยินดีเพลิดเพลินกับทั้งอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงว่าเป็นเหมือนอย่างเนื้อต่อ ซึ่งล่อจิตใจอันนี้ให้ติดให้เพลิดเพลินอยู่ในห่วงของความทุกข์ต่างๆไม่ให้สลัดออกได้และให้ดำเนินไปในทางที่ผิดอันเป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์จึงต้องประสบความทุกข์ เพราะฉะนั้นก็ให้กำหนดรู้ว่านี่ก็คือเครื่องมือของมานอันเป็นภูมิมุ่งร้ายและมานนั่นโดยตรงก็ได้กิกกเลสสมานมานคือตัวกิเลสนี้เองซึ่งเป็นเครื่อง ตรงนันท่ราคะกับอวิชชาเข้ามากํากับจิตใจล่อจิตใจอันนี้ให้หลงติดยินดีเพลิดเพลินดำเนินไปในทางแห่งความทุกข์ในเหตุแห่งทุกข์ระสบทุกข์ ส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยความมุ่งดีมุ่งที่จะช่วยปลดเปลื้องมูเนื้อมูใหญ่คือสัตวโลกนี้ให้พ้นจากความทุกข์จึงได้ทรงเปิดทางที่ดีไว้สำหรับให้ดำเนิน คือมักมีองแปดเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติในทางมักมีองแปดที่ได้ตรัสแสดงไว้และก็ปฏิบัติตามที่ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วที่ตรัสสั่งสอนเอาไว้การปฏิบัติในสติปัฏฐานก็เป็นการหัดปฏิบัติ ทรงจิตน้อมไปในกุศลโนบิตกคือความตรึกนึกคิดที่เป็นกุศลนั่นเองดังที่ได้กล่าวแล้วซึ่งในเบื้องต้นก็จะต้องคอยปรามจิตอุดหนุนจิตที่ให้ดำเนินบิตกคือความตรึกวิจาร์คือความตรองไปใน สถิติปฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนกำหนดลมให้ใจเข้าออกทำความรู้ในอิิยาหมดยืนเดินนั่งนอนความทำความรู้ในอิิยาบมเปรีกย่อยมีก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเป็นตน้นให้คือตรึกวิจารคือตรอง ไปในกุศลโนบิตกเหล่านี้และเมื่อทำได้ดีแล้วก็สงบเข้ามากำหนดจิตอยู่ในภายในให้รู้ว่าทำเหล่านี้มีอยู่เมื่อเป็นกายก็กายมีอยู่เวทนาก็เวทนามีอยู่ จิตก็จิตมีอยู่ธรรมะก็ธรรมะมีอยู่นั่งสงบอยู่ในภายในด้วยความรู้อยู่ในภายในเมื่อเป็นดังนี้แล้วสมาธิก็จะเจริญขึ้นเป็นทางแห่งปัญญาสืบต่อไปต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทงความสงบสืบต่อไปบัดนี้จาก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 อรหันต์สมมาสัมพุท ธ, ธิเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสาระตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญา ในธรรมจักแสดงวิตต ก, กะสันฐานสูตรประสูต่แสดงสันฐาน สวดส่งของวิตกคือความตรึกนึกคิดเป็นการแสดงพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานนำสติปัฏฐาน พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ตามพระสูตรดังกล่าวมีใจความว่าภิกษุ ปฏิบัติประกอบอธิจิตจิตที่ยิ่งคือสมาธิพึ่งมานัสิกข นิมิตห้าประการจึงจะอธิบายคำว่านิมิตก่อนคำว่านิมิตนั่นแปลว่ากำหนด ในที่นี้หมายถึงนิมิตทางจิตใจคือกำหนดทางจิตใจหมายถึงความกำหนดหรือการกำหนดของจิตใจก็ได้ หมายถึงเครื่องกำหนดของจิตใจก็ได้หมายถึงสิ่งที่กำหนดของจิตใจก็ได้นิมิต ด, ดังกล่าวนี้